คำเนียกมาสำหรับทานาจานฟักท่านคงจะนึกได้อย่างยางซึ้งใจทีเดียวว่าคำว่าหลวงปู่ทั้งหลายหลวงพ่อทั้งหลายนี่หมายถึงครูบาอาจารย์พวกเราที่ร่วงลับไปแล้วก็มียังมีชีวิตเป็นอยู่ก็มี <c oughs> อันนั้นท่าน มุ่งเพื่อเป็นบุญจริงๆเมื่อมุ่งเพื่อเป็นกุศลมุ่งเพื่อเป็นมงคลจริงๆโดยเฉพาะสถานที่ตามถ้ำเงื้อมผาป่าเขาอย่างนี่เป็นแดนที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเป็นแดนที่อยู่ที่เกิดแท่งพระธรรมเป็นแดนที่อยู่ของภารียสง์ เป็นสถานที่อันเป็นมงคลอย่างยิ่งบรรดาเทพบุตรเทวดาท้องฟ้าอากาศภูมิเทวดาอากาศเทวดาเทวดาผู้อยู่ในความเป็นเิปได้เห็นคุณค่าความเป็นบุญได้เห็นคุณค่าความเป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศล ว่าเออนี่คำว่าบุญคําว่าบุญนี่ถ้าอยู่ในภพในชาติถึงจะเป็นพบอพรมเทวดาก็เป็นพบภพรมที่มีความสุขยินกว่าพบภพรมของควัญเป็นมนุษย์ฉะนั้นพบอพรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นมีขึ้นเพราะความเป็นผู้มีบุญ นันฉะนั้นบรรดาชาวพุทธทั้งหลายขึ้นชื่อว่าบุญคือความสุขความเจริญในชีวิตความเป็นอยู่กลัวจะเข้าใจเรื่องนี้ทั้งส่วนเหตุทั้งส่วนผลต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการได้ฝึกปฏิบัติกระทำตาม เช่นนั้นบรรดาคุบัยาจาร์ที่ท่านเจริญแล้วในศิลในธรรมพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริเจ้าก็ดีท่านเจริญแล้วในสถานที่อย่างนี้ตามท่านเนื้อผาป่าเขาลุกกมลลมไม้พีน้องญาติยอมทุกทันในขณะในขณะนี้ เราทราบเถิดว่าพวกเรากําลังอยู่ในท่ามกลางความเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าพวกเรากําลังอยู่ในท่ามกลางความเป็นสมบัติของพระอริยเจ้าอันนั้นคือควรเงียบสงบอยู่ในท่ามกลางตามท่านยอดผาป่าเขา ดินแดนอย่างนี้เป็นดินแดนที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเป็นที่อยู่ของพระอเเจ้าเป็นที่เกิดแห่งพระธรรมบรรดาเทบุเทวดาบรรดามวนหมูมนุษย์ผู้เจริญแล้วในศิลในธรรมเมื่อพูดถึงสถานที่อย่างนี้ทุกท่านทุกคนซึ้ง่งซึ่งซึ่งซึ่งเส ง, ง, ง, งใจเอิอิ่มปีติยินดี ความเป็นบุญเ อ, อ, เอื้อเอนปีติยินดีในสถานที่พี่น้องญาติโยมทุกท่านขณะ น, นี้พวกเรากำลังอยู่ในท่ามกลางอยู่ในท่ามกลางดินแดนแห่งความเป็นมงคลดินแดนแห่งความเป็นบุญเป็นกุศลโดยเฉพาะสถานที่นี้ หลวงปู่ฟันและหลวงพ่อฟันท่านมาบําเพ็ญเพียรท่านมาบําเพ็ญธรรมและบรรดาครูบาอาจารย์ลหลายท่านท่านมาบําเพ็ญเพียรท่านมาบําเพ็ญธรรมในสถานที่อย่างนี้พี่น้องญาติยอมทุกยกัน เราได้ทราบเถิดว่าในขณะนี้พวกเราทุกท่านกำลังอยู่ในถ้มกลางดินแดนแห่งความเป็นมงคลดินแดนแห่งความเป็นบุญเป็นกุศลท่านแอจานฟักท่านเป็นลูกของครูบาอาจารย์ที่ จเจริญด้วยคุณธรรมอย่างสูงส่งและสูงสุดก่อนที่ท่านจะไปอยู่วัดเขาน้อยสามผานนั้นท่านอยู่กันหลวงปู่ใหญ่บรนตาดแล้วบรรดาครูบาอาจารย์แต่และ อ, อ, อ, องค์แต่ละองค์แต่ละองค์องไหนก็ตามบรรดา โยกเิษของลปู่ใหญ่ของลปู่มัน่นลูกปู่สาวโยที่ใดอันนั้นคือยอดแห่งความเป็นเนื้อดาบุญของมวลหมู่มนุษย์และเทวดาผู้สแสวงบุญพี่น้องญาติโยมทุกท่าน สถานที่อันนี้สถานที่และ ท, ที่ตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ของหลวงปู่ฟันมาก่อนแล้วก็บาอาจารย์หลายท่านหลายองค์อาตบาเคยได้อยู่กับหลวงปู่ฟันแาจา์ฟ้า ก, ก็เคยได้อยู่กับหลวงปู่บันาการดกาวนแล้วแต่ เธอโผลในชีวิตนี่ยกาดเหนือสุดทำไมถึงคุมจีนและอธิบายยังยังไม่เท่าเสี้ยวหรอกพ่อพวกก็จะมาโภรมใจฝ่ายชีวิตนี้ไม่ไม่เสียถึงแม้ว่าตัวเองไม่มีคุณธรรมอะไรเท่าไหร่ชีวิตนี้ไม่ได้กาบแล้ว เราได้พิ่งบุญพึ่งพิงพึ่งพาท่านผู้สูงส่งในคุณธรรมแล้วครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับดับไปกหลายองค์และที่ยังอยู่ก็มีโดยเจา้าพระพี่น้องญาติโยมท่านอาจารย์ฝากท่านพาไปทาบุญไปกราบไปไหว้ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่งแล้วว่าเราได้กราบพระแล้ว พี่น้องญาติโยมทุกท่านคําว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐคําว่าประเสริฐไม่มีคําอื่นที่จะเป็นข้อสงสัยโพดอะไรให้มากความไปออกไปอีกแล้วประเสริฐประเสริฐความเป็นพระประเสริฐเนสถานที่บําเพ็ญบุญของพี่น้องญาติโยมทุกท่าน สถานที่จุดนี้เป็นสถานที่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของหลวงปู่ฟันท่านพ่อฟันท่านเจริญจเจริญในเมตตาธรรมไว้ตรงนี้อาจารย์ฟักท่านมาเจอมาเห็นแล้วท่านเสงี่ยใจคำว่าเสงี่ยใจตรงนี้อตาอตมาอาตมาอธิบายให้ญาติโยมไม่ถูกหรอก ก็ดูว่าพุติพุทิใหม่เมื่อท่านผินหน้าประธานนี้แล้วยังไงยังไงพอที่จะมาได้ท่านต้องนำญาติโยมมามาชมสถานที่มาดูสถานที่อันเป็นมงคลที่ครูบาอาจารย์ได้มาบำเพ็ญทรรมเอาไว้ตรงนี้เป็นสถานที่เป็นมงคลอัตมาก็ภูมิใจได้มารักษาเอาไว้ รักษาไว้เพื่อหมู่เพื่อกันนารัากษาไว้เพื่อพี่น้องญาติโยมทุกท่าน <c oughs> เสียงรถใครอะ <c oughs> ถ้ามีเสียงแปลกๆปลปอมๆมันมันทำมาป่ากูาก้วกลัวๆเสียงเพราะมันเสียงแปลกปลอมไม่ใช่เสียงธรรมเสียงธรรมจิริยาของธรรมคือความสงบ สงบได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นธรรมมากยิ่งเป็นบุญมากเปรียบเหมือนหนึ่งน้ำที่พี่น้องาติโยมอยู่ในอยู่ในขวดที่มันมีตะกรอนะนะ่ะตะกรอนถึงจะมากน้อยเท่าไหร่ถ้าเขยา่เยาเขยา่เยาเขย่าเขย่า ความเป็นตะกอนกับน้ำที่มันใสสะอาดนั้นมันจะมาแยกจากกันไม่แยกความเป็นธรรมชาติน้ำที่มีตะกอนนั้นทํอยังไงมันจะแยกจากกันต้องให้มันอยู่นิ่งๆถ้าให้ปล่อยมันอยู่นิ่งๆไม่มีกระเทือนไม่มีกระเพื่อมความเป็นธรรมชาติมันจะแยกส่วนนี้เป็นตะกอนของเสียมันจะ ตกตะกอนแยกจากน้ำอันบริสุทธิ์เองมันนี่คือความเป็นธรรมชาติฉะนั้นสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่กุบาจาร์บาเพ็ญเป็นสถานที่พระอาเรียเจ้าเคยมาบาเพ็ญมาบาเพ็ญที่น้องญาติยอมทุกท่านให้พากันนึกโภมโภมใจถือว่าชีวิตนี้ เรากําลังอยู่ท่ามกลางแห่งความเป็นมหาสมบัติอยู่ในท่ามกลางของความเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าอันนั้นคือความเยียบสงบความดีเล่ความไก่กัางบนจิตใจของญาติยอมที่ เปียกมันน้ำที่มันขุ่นกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมเคืเจิตใจไม่ได้หยุดนิ่งเิตยจใจมันกัดแฝงพี่น้องญาติยอมทุกทันถ้าต้องการอยากจะให้ของแปลกปลอมที่มีอยู่ในจิตใจที่ว่ากิเลสทั้งหลายปัญหาทั้งหลาย <c oughs> ให้มันเบาบางน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเหลือแต่จิตใจอันเป็นบุญทำยังไงอาศัยความนิ่งอาศัยจิลยญาณแห่งความสงบอาศัยการตั้งขึ้นมาเบืงเงแรกเหมือนมันขวดน้ำตั้ง ใจตั้งสติใจสำหรับเป็นเครื่องรองรับแห่งความเป็นบุญมีอยู่กับเราแล้วตั้งสติสติเป็นเครื่องกันกองตะลำ่ำจิดใจให้เข้าสู่ความเป็นบุญเดี๋ยวนี้พวกเรายังงน้อยอยู่สติ เป็นเื่องควบคุมจิตใจผู้รู้ให้เข้าสู่ความนิ่งที่น้องญาติยอมทุกท่านการนี้เวลานี้เป็นการที่พวกเราจะโผมใจว่าเราอยู่ในถ้มกลางความเป็นมงคลความเป็นผู้ที่จะศึกษาความเป็นธรรม ธรรมของพระพุทธเจ้าสรรเสริญความสงบฉะนั้นพี่น้องญาติโยมจึงทำใจเข้าสู่ความสงบให้มันได้ขณะนี้พวกเราอยู่ท่ามกลางของความสงบเราอยู่ท่ามกลางของความสงบแล้วเราจะทำสติ ของเราที่มีอยู่นี่ให้มันทร้อมที่จะเป็นบุญคือระลึกถึงใจของเราระลึกดูจิตใจของเราใจของเราคือทารุระลึกขึ้นมาว่าใจของเราในขณะ น, น, นี้เราจะแต่ง เราจะแต่งให้เป็นบุญเราจะแต่งให้เป็นกุศลแต่งให้เป็นบุญแต่งยังไงเนื้อพุทธโธอยู่ภายในใจิตใจเนึกอธรรมโมอยู่ภายในใจิตใจเนื้อสังคฆอยู่ภายในใจิตใจ พุโทโธนี่เป็นพระคุณนามของพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งทาง จ, จิตใจนึกธรรมโมขึ้นมาเป็นพระคุณนามของพระธรรมเราจะเอาพระธรรมนี่มาเป็นที่พึ่งทาง จ, จิตใจ เนื้อสังค์โคยู่ภายในจิตใจสังค์โคนี้เป็นพระคุณนามของพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเราจะพระคุณนาม น, นี้มาตั้งอยู่ภายในจิตใจจิตใจของพวกเราขุนมัวด้วยกิเลสใจของพวกเราเศร้าหมองด้วยกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ บัดนี้เราจะมาระงับจิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้มันเบาบางออกด้วยพิธีการตั้งใจขึ้นมาตั้งสติขึ้นมาตั้งขึ้นมาแล้วดูจิตใจของเราให้เป็นจิตใจเหมาะสมที่จะความเป็นบุญอันนั้นคือดูความดีของจิตใจเมื่อตั้งใจขึ้นมาแล้ว ดูความดีของจิตใจจิตใจดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้ายังไม่เห็นตรงนั้นยังไม่เป็นตรงนั้นมรรคคือเครื่องแต่งเราจะแต่งจิตใจจิตใจของเราแต่งด้วยการเรว่องค่อมันดีความสดชื่นนึกขึ้นมาได้ไหมความแจ่มใสของจิตใจนึกขึ้นมาได้ไหม ความดีของจิตใจนึกขึ้นมาได้ไหมเรานึกขึ้นมานึกขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นเครื่องวัดว่าเราต้องการความดีแต่ความดีที่นึกได้นี่มันไม่มีน้อยเราต้องการความสงบสุขถ้าใจเราไม่ดีใจเราไม่มีความสงบสุขจะไปหาความดีหาความสงบสุขที่ไหน จะนั่นึงเนื้อพุทธโธขึ้นมาในขณะเดียวกันเนึกพุทธโธแล้วพุทธโธนี่ให้เข้าใจพระกุณนามด้วยนานพุทธโธเป็นผู้เบิกบานพุทธโธเป็นผู้ตื่นพุทธโธเป็นผู้ไกลจากกิเลส เนื้อใจขึ้นมาที่ไกลจากกิเลสก็คือใจดีจิตใจที่ไกลจากกิเลสก็คือใจมีความสบายเนื้อขึ้นมาเราจะมาแต่งให้ใจของเรามีความดีเห็นความดีใส่โย่ทำรรโมพระกุณนามที่เป็นมงคลที่เป็นบุญเป็นกุศลก็คือใจดี ใจมีความสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นลื่นเลงล่าเริงก็ได้ชื่อว่าเรานึกถึงธ ร, รมโมคือจิรยาแห่งความเป็นธรรมเป็นบุญอย่างนี้สังโฆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประพฤตปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจิรยาแห่งการทาใจตามว่าพุทโธเป็นผู้ตื่น พุทโธเป็นผู้เบิกบานแล้วเราจะทาใจของเราให้เตื่นรู้เบิกบานสดชื่นยื่อแย้มแจ่แมใสสดชื่นเลิศเด่งเราจะเอากิริยานี้เป็นเครื่องอยู่เราจะเอากิริยานี้เป็นเครื่องระลึกเพราะอันอื่นมันแต่งใจเราพอแรงแล้วความโลภความโกรธความหลงโ ม, โมโหโตโสมันแต่งใจเราพอแรงแล้ว แปงไปแล้วจิตใจอยู่ในกิริยา น, นั้นนั้นเป็นจิตใจที่มีความทุกข์บางคนโอ้ยคอตัวเองแท้แท้ดันเอาเสือ้อไปผูกแล้วแผพน่กได้ยินข่าวมาใช่หรือสมองตัวเองแท้แท้ดันเอาปืนไปเจาเข้าไปดูที่นั้นนะ่ะบางคนนั่นนะ สิ่งที่เป็นพลิดเป็นภัยแท้แท้ดำเขาไปกินขา่าวหน้าสลดสังเวชไหมแต่ยินข่าวไม่เชื่อหรือแล้วเนี่ยนั่นคือจิตใจที่โมหะความหลงหๆจนไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วมันจะตายโหงตาหา่ายังไม่รู้เรื่องอยู่ก็ปล่อยให้เขาเป็นเถอดหน้าสลดสังเวชไปเปลี่ยนประเภทนั้นอะ เราไม่ต้องการอย่างนั้นเมื่อไม่ต้องการอย่างนั้นก็มาเรียนรู้อย่างนี้เห็นคุณค่าของ จ, จิตใจ ด้วยวิธีการเราบังระลึกอด้วยความเป็นสมบัติบุญกุศลของเราเกิดขึ้นมาพบนี่ชาตินี้ไม่เสียทีเสียชาติแล้วนะเราได้มีความสุขความสุขอันนี้สุขจริงๆถ้าเราเข้าสู่พระคุณของพระพุทธเจ้าพุทโธธรรมโมสังโฆธรรมให้จิตใจลื่นเลงอยู่ในภาวนาธรรมทามให้จิตใจมีความสุขสขุด้วยภาวนาธรร ม, มจะมีความปีติ สูงด้วยความภาวนาธรรมนี้จะมีความเอิบอเ่มปีติเอื้อเอิมด้วยบุญร้วยกุศล น, นี้มันไม่เหมือนความยินดีพอใจในบางสิ่งบางอย่างที่พี่น้องญาติโยมเคยรับนะพี่น้องญาติโยมทุกท่านถ้าใจิตใจเข้าสู่ความเป็นสมาธิเข้าสู่ความเป็นบุญของความเป็นสมาธิมีศีลมีธรรมเป็นพื้นฐานโอ้โห คุณค่าของขีวิตคุณค่าของ <c oughs> บุญส่วนนี้น่ะประเสริฐจนพ้นจากสามโลกเนี่ยประเสริฐสุดเข้าสู่มรรคผลนิพพานไปได้แต่พวกเรายังไม่ถึงจุดนั้นน่ะ ให้มีความยินดีพอใจความเป็นสมบัติมนุษย์สมบัติอยู่ด้วยบุญด้วยกุศล อ, อยู่ด้วยความดีมายกฐานะจิตใจของเราที่จะเป็นไปในฐานะความเป็นสวรรค์สมบัติคือจิตใจมีความปีติยินดีในศีลในธรรมอยู่ในความสงบสุขอันเนี้ความสุขที่บรรดามีความความเป็นอยู่ในมนุษย์สมบัติที่พระเิว ถ้าจิตใจมีความสงบสุขเลื่นนแรงอยู่ในความเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในศีลในธรรมความสุขของความเป็นสมบัติสวรรค์สมบัตินี่จะเลิดจะประเสริฐกลัวรูปเสียงกลิ่นรสของความเป็นมนุษย์ถ้าเยี่ยงเข้าสู่ความสงบสุขของความเป็นสมาธิเข้าสมาธิเป็นฌานเป็นญาณความสุขของพรหมนี่ ยิ่งประเสริฐสุดของความสุขเป็นทิพย์ของเทบทเวดาไปอีกแต่แล้วพระพุทธเจ้ายังพระองค์ถึงแล้วอันมาหาประเสริฐสุดแห่งความสุขอันนั้นคือความสุขที่สุดความดีที่สุดคำที่สุดแห่งความสุขอันนั้นคือมรรคผลนิพพาน วินยานดวงจิตดวงใจสรรพสรรทั้งหลายเวียนว่าวตายเกิดมุตรงนี้ทา ง, งนั้นทั้นที่้องญาติโยมทุกท่าน <c oughs> ที่พวกเราเสแวงบุญเสแวงกุศลไข่ไกมีคุบาจานน้ำน้ำน้ำน้ำนําเพื่อจะเข้าสู่ตรงนั้นเมื่อจะถึงตรงนั้นได้กะอาศัยเส้นทางอันถูกต้องอนี้ละ สสมความเป็นบุญยืนให้เป็นบุญนอนให้เป็นบุญนั่งให้เป็นบุญการกระทําให้เป็นบุญละซึ่งความชั่วบาปทั้งหลายยาไปแต่ต้องเพราะจะทําให้เราเนินชาติและเป็นเส้นทางเข้าสู่ความเป็นทุกข์กูบายอาจารย์มีความเมตตาเข้าใจในแนวทางที่ความเป็นบุญโดยเฉพาะอาจารย์ฟากท่านทั้งอุตสาห์มาแล้วสุขภาพของท่านดูที่นั่น่ะเออ ท่านไม่เฉงแรงท่เนเยงอุตส่าห์นำญาติโยมมาตรงไหนที่เป็นมงคลที่ตรงนี้โดยเจ้าพ่อลกุบาอาจารย์ในท่านพ่อใหญ่ฟัน่นหรือว่าท่านพ่อสมชายท่านมาบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นี่เป็นสิริมงคลท่านอาจารย์ฟักจึงได้นำพี่น้องญาติโยมมาอาตมาอยู่ในที่นี้ก็เฝ้ารักษาเอาไว้เผื่อว่าผู้ใดจะมีนิสัยวาตนาบาได้มีมา เข้าสู่สถานที่ดีมาศึกษามาเรียนดูแล้วทำกายของเราให้เข้าถึงทำวาจางเราให้เข้าถึงทำใจของเราให้เข้าถึงเข้าถึงจินตญาแห่งความเป็นบุญอันนั้นคือความสงบสุขสมาธิสุขสมาธิคือความสงบดังที่กำลังนำนำนำนานานำน ำ, น ำ, นำทั้งจินตญาณทางนอกนำทั้งจินตาทางใน กิริยาทางนอกก็คือพากันมีความตั้งมั่นด้วยความเป็นสมาธิจิตใจของเราก็ตั้งมั่นร่างกายงเราก็ตั้งมั่นทำสมาธิ <Jesus> ส่วนนี้จิตใจของเราก็ตล่ำเข้าสู่ความเป็นบุญนึกพุโธพุโธถ้าจิตใจเราตล่ำเข้าสู่ความเป็นบุญอย่างนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อนักอโอ้โหชีวิตเนี้ยไม่มีอะไรประเสริฐเท่าแล้วประเสริฐเท่าความ ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่าความสงบที่จะเป็น เ, เป็นสมาธิที่พวกเรากำลังทำอยู่เนี่ยถ้าเข้าใจอย่างนี้ทุกคนจะมีความภูมิใจและปีติว่าเรากำลังอยู่ในท่ามกลางท่ามกลางของความเป็นมงคลท่ามกลางของความเป็นบุญท่ามกลา ง, งความเป็นศีลเป็นธรรมถึงจะไม่ได้มากน้อยหนึ่ง คือยังดีเมื่อพี่น้องญาติโยมผ่านเข้าใจที่ท่านอาจารย์ฟักอุตสาหพามาอย่างนี้เ อ, อ จ, รจริงๆแล้วก <c> า <oughs> นึกถึงว่าการเดินทางญาติโยมก็เหนื่อยให้ธรรมะพอเป็นข้อคิดแนวคิดหลังจากที่เจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นมงคลให้ถวายอาจารย์ฟักให้ท่านได้ ย, ยื่นเลงในความเป็นธรรม อาตมาตั้งใจสวดเพื่อเป็นมงคลสิริมงคลให้อาจารย์ฟักทั้งพี่น้องญาติโยมทุกท่านด้วยนะสวดมนต์วันนี้สวดมนต์เพื่อให้เป็นมงคลนะแต่ว่าอาตมานี่มนต์อาจารย์ฟักไม่ต้องสวดเอให้ท่านตั้งใจฟังอันนี้อาตมาเชื่อเชื่ อ, อยังไม่มีคู่ว่มจงใสยนะการตั้งใจฟังเนี่ยอาตมาเ อ, อ, อ่านในประวัติ <c oughs> ในธรรมบท ฝ่ายพวกข้างขาวอยู่ในถรร้มข้างข่าวตั้งใจฟังพระเจริญพุทธมนต์ในขณะเดียวกันเกียตใจของข้างข่าวนะ่ะมีความพอใจฟังและสงบในขณะที่จิตสงบคงไปประสาทข อ, ของข้างขานะนะ่ะคงจะไปทำงานนั่งเหลุดลงมาจากหน้าถ้ำอะตกลงมากระทบพื้นหินตายในขณะนั้น ใจของข้างข่าวแท้แท้กลายเป็นบุตรเทวดาไปได้อันนี้อราจมาไม่สงสัยนะบางครั้งบางข่าวจะมาเหนื่อยอราจะมากับนั่งฟังพามันสวดนะเออตั้งตั้งใจฟังแนละ้วมันตั้มจิตใจฟังโอ้โหความจะว่าไงล่ะเอจะว่าความสุขหรืจะว่าความปีติหรือว่าความอะไรมันก็ถึงเออนี่ข้างข่าว ข้างข่าวมีนาถึงจะเป็นเทวจึงเป็นเทวดาเทวดาไปได้มีนาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้บรรดาพระเจ้าประสงบางองค์ที่ท่านเจ็บใค้ได้ป่วยนะาฟังเจริญพุทธมนต์อะไรนั่นตั้งใจฟังฟังด้วยความสงบจริ ง, รงๆเราแม่ไมจะอธิบายอย่ากให้ตรงนี้ท่า น, นการเนี่ยเจริญพุทธมนต์ด้วยด้วยความตั้งใจผู้ตั้งใจเจริญผู้ตั้งใจฟัง จ, จึงเป็นบอกเกิดแห่งความสงบสุขตามกระแสธรรมแจนวันนี้อาจารยก็ตั้งใจสวดพาหมู่คณะสวดถวายอาจารย์ฟักออจารย์มาถึงว่าอาจารย์ฟักมาตจงสวดดอกจะสวดมลเน่เนี่ถวายให้เป็นมงคลทว่าภาษาอาชาโลกที่เขาทำพิธีก็สวดเอจะเลยพุทธมนตรายุนันาเนี่ยกับไม่ได้ว่าถึงขนาดนั้นนะเพราะก็นู้แล้วการตั้งใจฟังพระธรรมนี่เป็นการ จะทำให้เกิดความปีติสุขอาตมาต้องการอย่างนั้นนะนอกจากอาจารย์ฟักแล้วพี่รองญาติโยมก็ได้ฟังด้วยไม่ใช่หรือเออตอนนั้น <c oughs> ที่ตาลบข้อธรรมข้อปฏิบัติสู่ฟังกับเพื่ออยากจะให้พี่น้องญาติโยมทุกท่านเข้าใจว่าในขณะนี้เรากําลังอยู่ใน่ามกลางข้องความเป็นบุญเป็นกุศลคือสถานที่เป็นศิลปเป็นธรรมเป็นสถานที่ของพระพุทธเจ้าพ่ออริยโยทั้งอยู่ในความสงบอย่างนี้เมื่ออยู่ในความสงบอย่างนี้ผักกันตั้งใจและเลือกเบอร์เอ๋อร์นี่ชีวิตของเราหนึ่งอยู่กาลังอยู่ใน่ามกลางของความเป็นมงคลเป็นสถานที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเป็นสถานที่ อยู่ของพระอริยเจ้าท่านบำเพ็ญสถานที่มีความสงบอันนี้อย่างนี้แหละเมื่อเข้าใจอย่างนี้จะพากันตื่นตนตื่นตัวถึงจะนอนแล้วก็มีความเป็นมงคลถึงจะนั่งภาวนาแล้วก็จะมีความปื่มปีติเอเอนี่ชีวิตนี้เราก็อยู่ใน่าำกลางความเป็นมงคลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นีนี่ยพานเข้าใจ <c oughs> เออที่ แม่แนวทางจิตใจเพื่อเข้าสู่ความเป็นมงคลเห็นว่าพอทุกคนเจรเวลาพี่น้องญาโยมเดินทางก็จะเหนื่อยอาทิ น, นี้ต่อไปแล้วก็เจรินะนำเลิกแล้วพักผ่อนของใครของเราเอาพูดจะภาวนาต่อกับภาวนาพูดที่จะพักผ่อนกับพักผ่อนตามมัตยญาสาย <c oughs> อ่าที่ว่าพอทุกคนเจรเวลาละเอว่างก็มีด้วยประกาและเจริ <c oughs>